หาบหญ้ามาเห็นพระประเจกพุทธเจ้ากำลังเดินบินธบาตก็เลยวางหญ้าคาลงนะก็เลยเข้าไปถามยกมือไหว้ถามท่านว่าพระพุทธเจ้าครับพระองค์ท่านได้อาหารอล้อย่างครับพระไปบินธบัติท่านก็ไม่พูดเลยท่านไม่ได้ขอใช่ไหมท่านก็เงียบทุกกะตะนี่ก็บอกว่าผมขอดูบาทใช่ครับเปิดบาทให้ผมดูใช่ครับ ท่านได้อาหารหรือยังพอเปิดเข้าไปเป็นบาดเปล่านะยังไม่มีอาหารเลยฮนี่ยตอนี้ก็ทุกขตานี่ก็โอ้จังงั้นก็ขอในมนเนไปรับอาหารผมครับผมจะถวายอาหารใส่บาดพระคุณท่านพระปฏิเจก็รับนิ่งอทุกขตาเนี่กับวางยาไวท้ที่ในกุบทั้งทั้งเดินทั้งวิ่งนะก็เร็วๆหน่อยพรางั้นอะ พอไปถึงแม่บ้านก็บอกว่าเอ้ยแม่บ้านอาหารของผมยังเหลือไหมทางแม่บ้านเออเหลืออยู่ของคุณยังเหลืออยู่เก็บไปให้อยู่เออเอาลงมาเอาลงมาแม่แม่บ้านก็เลยรีบเอลงมาให้ทุกตะทุกตะก็จกตั้งจิตอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานในใจ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 ในวัฏสงสารถึงผนิพานในที่สุดก่อนที่จะทำบุญแปลว่าทำบุญน้อยนะแต่ว่าปลาท่านาใหญ่มากเลยงั้นเถอะคำว่าไม่มีอย่าได้ยินอยาได้ยินว่าคำว่าไม่มีนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะหลวงพ่อวะแต่คำพูดคาพูดสั้นๆนะแต่กินลึกละเกินว่ากันยาวละเกินใหญ่ละเกินอยากได้อะไรคำว่าไม่มีอยาให้ได้ยินขอให้ได้สิ k นั้น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 พระปฏเจก็ให้พระเอวังหตุเอวังโหตุขอความปรารถนาของเจ้าจงสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่างที่ท่านต้องการนั่นเทินนอันนี้คือพระปฏเจกให้พรจากนั้นพระปฏิเจกเเหาะขึ้นบนอากาศไปที่อยู่ที่เขาหมูลกกะที่ป่าหิมพานต่อไป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 เทอดาบอกว่าข้าพเจ้าสาธุกับทุกตะได้ทําบุญกับพระประเจกพุทธเจ้าในวันนี้ได้ใส่บาตรพระประเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาของเขาเศรษฐีก็บอกวอ้าวเาทวดาไม่มองเหรอข้าพเจ้าทําบุญมากมายแต่ละวันทั้งประตูสีมุมเมืองแล้วก็กลางเมืองอีกทําบุญที่หน้าบ้านอีกเป็นหกแห่งแต่ละวัน